พระธรรมเทศนาแผ่นที่103าลำดับที่25โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดกุดนธานีแสดงธรรมในวันที่16ตุลาคม2559มีชื่อเรื่องว่าเชื่อกิเลสได้ความทุกข์เป็นรางวันวันนี้เป็นวันปวรณาออกพรรษาวันนี้เป็นวันที่16 ตุลาคมพุทธศักราช2559พวกเราจำพรรษามาสามเดือนเต็มวันนี้วันนี้เป็นวันปวารณาผมก็เคยพูดเคยกล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังปวารณาไปว่าให้พวกเร า, เ, าเปิดตัวเองให้มูพวกเพื่อน ว่าเราตักเตือนได้จางเมื่อกี้ในท่านผู้สวดองค์ที่สวดก็บอกว่าพวกเราพร้อมแล้วในการที่จะภาวณายานัคจุนาตุเมพันเตสังโคอ จ, จปัปภาวณาปณารสีเตวะจิกังปวารยะคือวันนี้เป็นวันภารณาของพวกเราปารารซีก็เป็ว่าสิบห้าค่ำ เป็นวันขึ้นสิบห้าค่ำเตวาจิกังปวารยะพวกเราจะปะวารณาซึงสามครั้งคือพูดถึงสามครั้งพูดครั้งหนึ่งจบไปแล้วคูดครั้งที่สองครั้งที่สจะปะวารณากานถึงตุติตาติถึงสามครั้งทุกองแม่ว่ายืนยันในการปรวารณาให้โม่พวกเพื่อนว่า ก, กาวตักเตือนเราได้ เมื่อเรากระทาผิดเพวัะนั้นวันนี้ต่อ น, นี้ไปผมพวกเราก็จะนั่งกระยงปนมมือพร้อมกันและจากนั้นก็ว่านะโมว่านะโมพร้อมกันพราะว่านะโมจบแล้วนะผมที่เป็นหัวหน้าผมก็จะภาวณาต่อส่งสร้างคำบุโซภาวริมนะิจากนั้นหมู่พวกเพื่อนก็ เ, เมื่อผมพูดจบ ผมก็จะนั่งลงพวกหมูพวกเพื่อนก็ซาทุพร้อมกั น, แ ล, ก น, น, นแล้วก็องค์ที่สองสร้างคำบันเตปวาริมิพอเสร็จแล้วก็ซาทุพร้อมกันจนเอิ่จนถึงองค์สุดท้ายนะก็คงองค์จุดท้ายก็ต้องมีคันติสักหน่อยเหมือนกันนะจะนั่งกระยงปนมือนานพอสมควรแต่ถ้าเราได้ฝึกมาแล้วก็ไม่มีปัญหาหรอกเรานั่งทําวัดก็แค่เท่าๆกันนี่แหละ เพราะนั้นให้พวกเราทุกๆท่านให้เข้าใจตามนี้เมื่อปวาวณาผ่านไปแล้วจบไปแล้ว <c oughs> หมู่พวกเพื่อนจะว่า <c oughs> หมู่พวกเพื่อนจะว่ากล่าวตักเตือนเราก็พร้อมที่จะน้อมรับเพราะเราได้ปวาวณาในหมู่ในคณะไวแล้วนะไม่ใช่ว่าปรวาวนาจบไปแล้วก็ใครหมู่พวกเพื่อนว่ากล่าวนิดหน่อยเกิดอารมณ์โมโหโกธา ก็ไม่น่าจะถูกเหมือนกันนะแปลว่าเสียสัจจะนะเสียจัจจะในการกล่าวในตัวหน้าสงว่าให้หมู่พวกเพื่อนว่ากล่าวว่ากล่าวตักเตือนเราได้นะแต่ว่าการว่ากล่าวกล่าวตักเตือนผู้ใหญ่ผมก็เคยพูดให้ฟังมิใช่ว่าผู้ใหญ่ทำผิดอายุพรรษามากกว่าเราจะไปพวกกล่าวจาบจ้วงแบบเหมือนกับผู้น้อยไม่ได้แต่ผู้ใหญ่ต้องพูด เถ้าอายุพรรษามากเราก็พร้อมที่จะชี้ให้บอกมันผิดนะจุดนั้นนะอย่าทำมันไม่ถูกอันนี้คือพูดได้แต่ผู้น้อยจะเตือนผู้ใหญ่อย่างนั้นไม่ได้ปรับเอาบัดทุกกฎเพราะขาดสัมมาคารวะขาดความเคารพต้องเตือนด้วยชั้นเชิงวเตือ น, นด้วยให้ใคายว่าด้วยความอ่อนน้อม เตือนด้วยให้รู้หมักรู้จักสัมมาคารวะนะท่านอาจารย์ครับคุบาครับคุบาทำอย่างนั้นไม่น่าจะถูกได้ผมว่ามันผิดพินในตามที่คุบาอาจารย์หรือตามผมที่ได้ศึกษาได้อ่านมาคุบาฉันอย่างนี้การกระทำอย่างนี้มันไม่ถูกได้ครับคูบาผมว่าหรือคุบามีความเห็นว่ายังไง ลักษณะอย่างงานใครเขาว่าเป็นปการปรึกษาแล้วก็เตือนในตัวไงถ้าหางว่าท่านู้ได้เตือนท่านเป็นปลาดนะท่านก็อึใชั <c oughs> ผมผิดผันผิดพังไปเดี๋ยวผมจะไปศึกษาดูอีกตัวนี้นะอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือการแนะนำและบอกกล่าวผู้มีอายุพรรษามากกว่ามูเพราะนั้นให้พวกเราให้รู้ไม่ใช่เพราะว่าการ ว่ากาวตักเตือนได้แล้วนะเราจะเตือนแบบไม่มีสัมมาคาระวะไม่ได้ปรับอบัตทุกกฎอีอกเหมือนกันนะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราศึกษาในพระวินัยของพระพุทธเจ้าท่านให้ถือผู้น้อยผู้ใหญ่การอยู่ด้วยกันผู้ใหญ่ที่มีอายุพรรษามากกว่าผู้น้อยก็ต้องให้ความเคารพยำเกรงมีใช่ว่าจะเคารพแต่คุ ณ, ณธรรม คุณธรรมใครจะยังถึงละ่ะใครรู้ว่าคุณธรรมเขามีหรือไม่มีเอแต่พระในครั้งพุทธการในครั้งพระพุทธเจ้าท่านก็ยังมีเอพระราชาจะไปเยี่ยมในพระองค์นี่เป็นพระหรหันต์นะแต่ท่านรู้แล้วพระราชาใช้เสด็จมาเอท่านก็เลยทำตัวเหมือนกับพระอไม่รู้อิโนโวอินเนรักษณะอย่างนั้นละ่ะ ไปเล่นอะไรกับพวกเด็กแต่ท่าไม่ผิดแต่ท่านในคิดในใจว่าถ้าว่าพระราชาเสด็จมาต่อไปเนี่ยเราจะจุ้งเหยิงวุ่นวายหาความสงบไม่ได้เราก็ควรจะทำตนให้เหมือนกับเป็นพระกระวะเละเกวรลาดไปแต่ทําไม่ได้ผิดวินัยแต่ท่านทำนะแต่พระราชาขาดความเคารพเขาว่าท่านเป็นพระหัน กิริยามารยาทท่านน่าจะเหนือกว่านี้แต่พอมาเห็นคราวนี้แล้ะไม่ใช่อักับกิริยาของผู้ทรงธรรมไม่ใช่ผู้ทรงเป็นพระอรหันต์อย่างนั้นพระราชาเขาเลยไม่เข้าไม่ฉเฉด็จเข้ามาอีกท่านก็เนี่ยท่านฉลาดเพราะว่าเหตุว่าเมื่อท่านรับไปแล้วท่านมันก็มีแต่ความทุกข์เท่านั้นเองอที่จะได้ผลประโยชน์ในทางธรรมะ คงจะน้อยคงจะท่านคงจะมองด้วยแล้านผเป็นพระอรหันต์เลยท่านฉลาดยิ่งกว่าฉลาดอีกนะ เ, เพราะนั้นเราจะมองได้ยังไงเรามองอากับกิริยาของท่านใช่ไหม เ, เป็นพระอรหันต์เราเก่งกว่าท่านใช่ไหมเราจึงวัดท่านได้ว่าท่านคือพระอรหันตนะ์สิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงเราต้องอายุพรรษา เ, เมื่อท่านบวชมาก่อนท่านอยู่ในกรอบอยู่ในหลักพระธรรมวินยัย ท่านอยู่ในหลักพระธรรมวินัยในเคารพในหลักพระวินัยเคารพในสีรายจารวัตท่านทรงศีลส2งรสมบูรณ์ไม่ผิดวินัยไม่มีเจตนาในการกระทํานี่ผิดวินัยเราก็เคารพนับถือได้เพอลัยเพราะท่านอยู่ในหลักพระธรรมวินัยแต่ส่วนธรรมในใจของท่านนั้นเราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ เพราะเราก็ยังเป็นผู้ตุชนอยู่ขนาดพระหันต่อพระหันก็ยังมองกันไม่ออกอย่างทุกพระหันสุขวิปัสสโกอย่างนี้แต่ถึงยังไงท่านก็พอจะรู้กันได้แววแห่ง well, ผู้ปฏิบัติธรรมแววเสียงสายแสงออกมาจากทังด้านจิตใจท่านก็พอคงจะพอรู้กันได้ เวลาได้สนทนาปารบกันนะสิ่งทั้งหลายทางปวงเหล่านี้เราจะไปมัวเมียตาบอดแล้วก็เหยียบน้นาไปเลยไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะวันนั้นเราต้องเคารพในหลักพระวินัยก่อนเคารพในผู้ผู้บวชก่อนผู้ทุงศีลเราเคารพสัมมาคารวะถูกต้องตามหลักพระธรรมวินยัย เพียงแค่นั่นก็เป็นสิริเป็นมงคลสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายอยู่แล้วนะตอนี้ไปนั่งกระจงปนมมือแล้วก็ผมจะพาพานำว่าน้าโมพร้อมกันแล้วก็ระวน า, าต่อส่งเอานั่งคุกเขา่าน้าโมตัดสามาธิวา วันนี้เป็นวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2559พวกเราปรวาวนากันจบลงสักครู่นี้เป็นการปราวนาในสงฆ์ทั้งหมด53รูปพระสงฆ์ในวันนี้ปีพุทธศักราช2559 มีครั้งเดียวในวัดของเราการจำปรรษาของพวกเราก็เป็นมาด้วยความเรียบร้อยราบรื่นไม่มีอุปสรรคใดๆต่างคนก็ต่างมุ่งมั่นตั้งใจผมเองในฐานะที่เป็นหัวหน้าของวัดเป็นประธานสงฆ์ของวัดเป็นเจ้า อ, อาวาสของวัดผมก็ขอขอบคุณและขออนุมโมทนากับพวกเราท่านทั้งหลายทุกๆท่านที่เข้ามาแล้วก็เป็นผู้ตั้งใจมุ่งมั่น อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยก็ไม่ได้ทำให้ผมหนักกกหนักใจแต่ผมก็ได้พูดปรามไว้ก่อนที่จะจาพรรษาให้พวกเราท่านทั้งหลายสำรวมระวังอย่าให้มีเรื่องราวเกิดขึ้นถ้ามันมีเรื่องราวเกิดขึ้นในพรรษ า, ามีการทะเลาะเบาแวงกันอย่างนี้ผมก็บอกว่าผมจะจัดการโดยเด็ดขาด เพราะเป็นแนวแถวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงตาถ้าว่าผู้ใดเคยจําำรรษาองค์หลวงตาหมหาบัวเราคงจะได้อ่านได้ฟังในหนังสือหรือในเทปของท่านในการอบรมพระหลวงตาท่านจะไม่เอื้ออํานวยจะไม่พูดย่อเยาะให ญ, ให ญ, ให ญ, ใหญ่ในเรื่องการระเลาะวิวาทกันเพราะพวกเราเข้ามาเพื่อตัดกิเลสละกิเลสโลภโกรธหลง ไม่ได้เข้ามาเพื่อหวังดีชิงดีชิงเด่นเอาชนะเอาแพ้เอาชนะกันในหลักของพุทธศาสนาเข้ามาเพื่อหวังดีเพื่อสร้างคุณงามความดีเพื่อละกิเลสในจิตในใจของพวกเราเพื่อหาทางพ้นทุกข์ในวัฏสงสารจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกนั่นคือจุดประสงค์และจุดใหญ่ของพวกเราที่เราก็มาบวชแต่ละองค์หรือว่าองค์ บางองค์ก็อาจจะเข้ามาทดสอบทดลองดูอันนั้นก็อีกส่วนหนึ่งแต่ถึงยังไงก็เถอะก็ต้องฟังในหลักธรรมคำสอนของภูบาอาจารย์ฟั ง, ฟ, งฟังหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ถึงเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อเราก็ต้องปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยเพราะว่าหลักพระธรรมวินัยตายตัวอยู่แล้วถ้าหาว่าเราออกนอกลูกนอกทางไม่ปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยเหมือนกับ หมู่พวกเพื่อนตั้งอกตั้งใจพายเรือตัวเองเอาขาลาน้ำหลากน้ำํทำทําให้เหลืออืดทําให้มีอุปสรรคในหมู่ในคณะอันนั้นไม่ถูกต้องอย่าได้มีถ้าเราไม่พอใจออกหนีอยู่ทาไมอยู่ให้หนักวัดทําไมถ้าว่าเรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นเอาเคียงบา่าเคียงไหล่กันหาทางออกหาทางพ้นทุกข์ จะมุ่งมั่นต่อมักผลนิพพานอันนั้นแหะคือการอยู่ด้วยกันเพื่อหวังมักผลนิพพานเราไม่ได้บหวังเพื่อลาบเพื่อยศหวังเพื่อลาบเพื่อยศหวังไปเพื่ออะไรลาบยศได้มาแล้วเป็นยังไงได้เงินร้อยล้านหมื่นล้านแสนล้านดีใจอย่างนั้นใช่ไหมตายไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมได้ลาบได้ยศมาแล้วตายไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมได้ชื่อได้เสียงมาแล้วตายไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวง เราในกิเลสในใจของเราถึงจะตายเป็นก็เถอะแต่เรากิเลสภายในเจาของเราเนี่ยหลุดพ้นละอย่างหมดละอย่างเป็นผู้บริสุทธิ์ละอย่างนี่จุดนั้นแหละเป็นจุดที่พวกเรามุ่งหมายมุ่งมั่นเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราทุกๆุกกองนะถึงจะอยู่ในเพศมันประชิดเดี๋ยวบอกอยู่เป็นนักรรนักบวชต่อไปก็ให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจ เออเรามองดูแลโลกวัฏสงสารที่เราผ่านมาก่อนที่เราจะมาบวชเราผ่านมาแล้วมันเป็นยังไงมันเป็นสวรรค์วิมานอย่างนั้นใช่ไหมเออถ้าเรากลับไปแล้วมันจะเลิศเลอขึ้นอีกกว่าเก่าอย่างนั้นใช่ไหมอันนี้พอข้อออกไปเออก็อย่างว่าอย่างพระที่ท่านมาบวชท่านก็มาบวชด้วยความตั้งใจจากนั้นก็เนี่ยกิเลส ช, ชักลากไปกลับออกไป ไปโอ้ตายกิเลสต้มอีกแล้วนะกลับมาอีกหนะ่อแต่มันจะต้มอีกรอบสองและรอบสามก็ไม่รู้นะพระในครั้งพุทธการต้มทั้งเ็ดครั้งนะยังค่อยเข็ดนะอจนได้สาเร็จเป็นพระอรหันต์ในที่สุดนะ <c oughs> แต่พวกเราท่านทั้งหลายอย่าให้ถึงขนาดนั้นเถอะเ อ, อกิเลสมันต้มขึ้นมาแล้วก็น่าจะเข็ดเ อ, อเราก็น่าจะมองดูได้แล้วว่าเ อ, อที่ผ่านๆมานะเมื่อเราเป็นอย่างนั้นน่ะได้มักในผลใช่ไหม มีความสุขที่แท้จริงใช่ไหมถ้าวันเราไม่คิดถึงความตายแล้ อ, อมันก็หนะลงและเลิงได้แน่แต่ถ้าเาเราลึกถึงความตายเราเกิดมาแล้วนะถึงจะเป็นอย่างไงก็เถอะอีกสักวันหนึ่งเราจงต้องทิ้งทั้งหมดแล้วจะได้อะไรนอกจากความทกในจิตใจเท่านั้นนะถ้าเราทำกรรมชั่วกรรมชั่วนั่นแหละจะตามสนองเราไปนานเท่านาน ถ้าเราเชื่อ ร, รมเชื่อผลของกรรมถ้าเราเชื่อในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราเชื่อในพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนแล้วเราต้องเป็นผู้มุ่งมั่นเป็นผู้ตั้งใจส่องแสวงหาทางพ้นทุกข์จังไงจึงจะพ้นทุกข์จะไม่มาเวียนไห้ตายเกิดนั่นแหละทุกงมีสิทธิ์มีโอกาสเรื่องขอมีความพยายาม มีความตั้งใจแต่ละองค์แต่ว่าความตั้งใจนั้นเราจะให้เสมอกันเป็นไปไม่ได้มันยิ่งหย่อนกว่ากันแต่อยู่ในหลักพระธรรมวินัยไหมในการย่อหย่อนนั้นถ้าย่อหย่อนนอกจากรับนอกออกจากหลักพระธรรมวินยัยอันนั้นแหละไม่ดีไม่ถูกต้องแต่ว่าถึงจะย่อหย่อนในเรื่องจิตภาวนาก็จริงแต่ว่าในหลักพระธรรมวินยัยท่านยัง แข่งครัดอยู่อย่างรักษาศีลอย่างปฏิบัติยังตรงไปตรงมาอยู่อันนี้ก็ยังเป็นหนักนับถือเรื่อมใสแต่ถึงยังไงก็ตามยังถือว่ายัางอ่อนร่อยอยังอ่อนแอไม่สมกับที่เราเข้ามาบวชทําเมื่อเราเข้ามาบวชแล้วเรื่องศีลและวินยัยเราต้องเป็นหลักยึดหลักให้แน่นจากนั้นเรื่องจิตภาวนาอันนั้นคือหัวใจของพวกเรา เราไม่ได้เรียนบวชมาเพื่อเรียนเอาชั้นเอาภพงไม่ได้เรียนเพื่อเอาจดถามบรรดาศักดิ์เราเรียนเพื่อแก้กิเลสภายในใจของเรากิเลสของภายในใจของเร า, เ, าเราเจียวเรียนยังไงจากวิชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยศีลสอง่สิบเเรามีบริบุ์สมบูรณ์หรือยังถูกต้องหรือยังในการรักษาศีลของเราจากนั้นเรื่องสมาธิ เรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจหรือหรือออย่างการภาวนาของเราเป็นยังไงจิตใจของเราในขณะนี้เวลานี้เดี๋ยวนี้จิตใจของเราอยู่กับเป็นสมาธิไหมจิตใจของเราลึกโลกโลบโลเลเถลิงทลา่าออกไปข้างนอกออกออกนอกรูนอกทางอยู่อย่างนั้นใช่ไหมใจของเราขณะนีนะ้อันนี้ไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของพวกเราท่านทั้งหลายเองนะ อันนี้พวกเราให้มองรู้ใจว่าใจของเราเป็นสมาธิดีไหมในเมื่อใจของเรานิ่งจิตใจของเราเยือกเย็นใจของเราเป็นสมาธิดีจิตใจของเราไม่ทะเลทรายจิตใจของเราไม่สงนอกไม่ส่งไม่ปุงฟุ้งออกไปข้างนอกจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจมีสมาธิในเมื่อจิตใจเป็นสมาธิดีทุกสิ่งทุกอย่างมันเรียบไปหมดนะเพราะอะไรเพราะใจของเราเย็นใจของเรามีความสุขอยู่ในสมาธิ อย่างนั้นก็มีแต่ความพยา ย, ยามมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจพิจารณาวิธีทางวิปัชนาหาทางพ้นทุกข์ชำระใจดวงนี้นะ่ะที่มันบางครั้งถึงจะเป็นสมาธิมีความสุขก็จริงอยู่เหมือนกับหินหรือว่าแผ่นกระดานมันทับญ้าพอเปิดขึ้นมามันก็งอกเงยขึ้นมางามกว่าเก่าอีกเพราะว่ามันทับไว้เฉยเฉยมันไม่ดึก ถอนลากถอนโครนของญ้าออกนะนี่แหละปัญญาวิปัสสนาเท่านน่ะจะถอนลากคอนถอนโคนถอนความรู้สึกนึกคิดเรานึกคิดเนี่ยคิดของใจของเราเนี่ยเออมันไปในอารมณ์ไหนอารมณ์ทางตาเมื่อตาไปเห็นรูปเป็นเป็นยังไงเกิดกิเลสราคะโทสะโมหะยังไงหูได้ยินเสียงมันเป็นยังไงเกิดราคะโทสะโมหะเจมูกดมกลิ่น ลิ้มลนในลิ้มรส อ, อ, อาหารเป็นยังไงเกิดความติดใจไหมในการลิ้มรสแล้วร่างกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งสิ่งเหล่านี้นะ่ะมันล้วนแล้วจะเป็นกิเลสและเป็นธรรมเป็นทั้งกิเลสทั้งเป็นธรรมถ้าจิตใจของเรารู้เท่ารู้ทนันมันก็เป็นธรรมถ้าจิตใจของเราไม่รู้เท่ารู้ทนันก็เป็นกิเลส เพอต่างตาไปเห็นกเกิดราคะโทสะโมหะเป็นเก็บเป็นกิเลสถ้าตาของเราไปเห็นครูบาอาจารย์เห็นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆออน้อมถ่อมตนเคารพกับรา บ, บไหว้สักการะอันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลเนี่แหละใจเป็นกุศลมันออกไปทางตามันออกไปทางตาไปทางไหนไปทางต่ำหรือไปทางสูงไปทางกิเลสหรือไปทางบุญกุศลไปทางดีหรือไปทางชั่ว มันได้ทั้งนั้นแหละตาหูจมูกเล่นกายแต่ถึงยังไงก็ตามนะแต่ถึงสุดท้ายจริงๆจะไม่ว่าดีดีหรือบุดีหรือชั่วบาปหรือบุญทึงทั้งสองเงินไม่เอาทั้งสองเงินอันนั้นคือจิตใจที่บริสุทธิ์หลุดพ้นแต่ถ้าว่ากำลังเดินทางอยู่เราก็ต้องใยต้องอาศัยเรือคือทางดีไว้ก่อนอย่าไปเอาทางชั่วทางชั่วน ท, ทางจิบหายมาหาตัวเอง เราต้องพยายามขึ้นเกาะเรือทางบุญกุศลไว้ก่อนแต่พอไปถึงฝั่งแล้วนะเราจะต้องทิ้งทั้งบุญทิ้งทั้งบาปไม่เอาเรือมีแต่ขึ้นด้วยความบริสุทธิ์หลุดพ้นเท่านั้นอันนั้นคือการประพฤติปฏิบัติธรรมคำสอนตามธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สรุปแล้วก็คือเรื่องศีลสำมโรมกายวาจาให้เรียบร้อยเป็นผู้มีกิริยามารยาทที่ดีสัมโม เป็นผู้มีสินใน227หรือมากกว่าสินพภิสมาจาร์รักษาให้ครบถ้วนสมาธิทำจิตใจให้มั่นคงอย่าจิตทำให้จิตใจปุ่งฟุ้งไปทางอื่นพยายามทำใจให้เป็นสมาธิเมื่อจิตใจเป็นสมาธิละเดินวิปัสสนาพิจารณาการกลองไตรตองเรื่อง อายุสังขารเพราะใจของเรามันหลงอะไรอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดผมเคยพูดมันหลงร่างกายมันหลงร่างกายมันไม่ได้ใช่หลงอย่างอื่นหรอกพ่อหลงร่างกายของตนเองหลงลาบหลงยศหลงสิ่งต่างๆภายนอกทั้งปันหลงไปหมดเลยวัดวาศาสนาหมู่พ่อเพื่อนยศฐานบรรดาศักยยศย่องเจริเสริญมันหลงไปหมดเลยเพราะมันหลงร่างกาย พอมาพิจารณาร่างกายแยกส่วนแบ่งส่วนดูแล้วกายมันมีอะไรมันมีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟผลที่สุดก็อีกสักวันหนึ่งเข า, เาไปเผาไฟทิ้งแน่นอนไปฝังดินทิ้งแน่นอนตายแน่นอนแล้วมันได้อะไรใจของเราได้อะไรในเมื่อร่างกายก็จังแตกสลายอยู่แล้วสิ่งเหล่านั้นเ อ, อเราจะมุ่งหวังอะไรนี่แหละในเมื่อเราพิจารณาถึงจุดที่ร่างกายถึงจุดจบของร่างกายแล้ว สิ่งเหล่านั้นมันก็ไม่หลงแตนะ่นี่ยเพราะอะไมันหลงร่างกายเพราะร่างกายกลเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะขณะร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราสิ่งเหล่านั้นจะเป็นตัวตนของเราจะเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นสักเป็นสีเป็นสงางลายสีเป็นตัวของเราได้อย่างไรเนะี่ยสิ่งเหล่านี้เมื่อเราพิจารณาให้ถีทวนแล้วนะ่ยมันก็ย้อนเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจใจของเราเนี่ยเราไปหลงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้น พระท่านขอให้พวกเราทุกๆท่านนะนี่แหละแนวทางของพวกเรานักปฏิบัติผู้ที่หวังทางพ้นทุกในวัฏสงสารแต้องมุ่งหวังอย่างนี้ต้องพยายามทําจิตใจให้ตัวเองให้สงบให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เมื่อจิตใจผ่านความสงบแล้วนะจะพิจารณาทางด้านวิปัสสนาก็เป็นปัญญาที่แท้จริงขึ้นมาเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทําหน้าที่ออกพรรษาแล้วนะ ผู้ที่จะทำจะกลับไปเป็นฆราวาสก็ได้ถึงกำหนดพอเราเป็นข้าราชการอันนั้นก็ไม่ว่ากันแต่ผู้มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจที่จะบวชไปมีอะไรผมว่านะ่อยากจะให้พวกเราตั้งจิตอธิษฐานไว้เลยเ ล, ยละ่ะยดพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างบรมครูของพวกเรานะบรมครูของพวกเราพอหนีออกจากเวียงวัง เราจะไม่กับหวนกับคืนวังโรยเด็ดขาดเราจะตายดาบหน้าถึงจะเนื้อหนังเอ็นกระดูกจะเป็นผุพังไปยังไงก็ตามเราข้าไปเจ้าจะไม่ถอยกับคืนอันนี้คือเป็นแนวแถวของพุท ธ, ธะโปรดอนขอยพวกเราทุกท่านน ะ, เ, ะเมื่อบวชเข้ามาแล้วถ้าว่ากิเลสมันล่อแหล่ล่อแหล่มันจะไปแด่ไม่ไปแหลถอยหลังถอยหน้าอยู่เราให้ตั้งจิตอธิษฐานเลยคล้ อ, องผ้าสเสวงหมา เข้าไปกราบพระพุทธปฏิมาเลยตั้งจิตอธิษฐานแวนวแน่ชาตินี้ข้าพเจ้าขอบอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ต่อคุณงามความดีเท่านั้นชีวิตของข้าพเจ้าในชาตินี้ถ้าเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจน้ำมันไหลตรงทางเดียวเออมันมันไปทางเดียวมันจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้แต่ถ้าว่าพวกเรา เราละเลแหละเราลไปได้ว่าวันนี้ไปอีกอย่างหนึ่งวันหน้าไปอีกอย่างหนึ่งอแต่ละวันนี่ก็ไม่รู้จะเดินไปทางไหนเตะซ้ายเตะขวาเตะหน้าเตะหลังเลาะแหละเลาะแหลอไม่รู้จะออกไปคารวัตไม่รู้จะออกมาเป็นพระเป็นคารวัตก็เสียดายพระโอเป็นไปเป็นพระก็เสียดายคารวัตนะมันจะไปถึงไหนล่ะจิตใจประเภทอย่างนั้นะมีตะลมเหลววรรณาให้มี ความว่าล้มเหลวคานั้นควรจะมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจ เ, เด็ดขาดเด็ดเดี่ยวผู้ที่จะทงหวังทางผูจ้จะหวังพ้นทุกข์ในวัฏสงสารแล้วต้องเป็นอย่างนั้นนะหลวงพ่อมองไม่เห็นอย่างอื่นไม่ใช่ผมพูดอย่างพูดให้กับเพื่อนผมเองผมก็ทำอย่างนั้นเพราะในพนนั่นเองผมจึงมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจไม่ได้มองเห็นอย่างอื่นเลย เ, เรื่องภายนอก เรื่องสวยๆงามๆเรื่อง เ, อเพศตรงกันข้ามเรื่องอะไรก็ตามมันไม่อยู่ในหัวใจละพราะเรามีความมุ่งมั่นเดินต่อมรรคผลนิพพานจุดนั้น เ, เพราะฉะนั้นขอให้พวกพระลูกหลานทั้งหลายที่ผมพูดให้ฟังนี่เป็นแนวความคิดขอให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังดูให้นําไปพิจกันกลองไตรตรองด้วยเหตุและผลถ้ามันเป็นอย่างที่อย่างที่ผมพูดนั่นต้องตัดสินใจ เอาทางใดทางหนึ่งถ้าว่าเรามีความไม่มั่นใจไม่มจิตใจเป็นสองแ่งสองทางนะใจของเราเป็นลักษณะอย่างนั้นไปไม่หลอดนะ ล, ลูกหลานนะเดินไปแบบตุปัปตุเปตุลักตุเล เ, เหมือนกับอะไรเหมือนหนงหงปีกหกักหรือว่สัตว์บินได้แต่มันปีกไม่สมบูร ล, ลักษณะอย่างนั้นแนห ะ, ะช่างกระตายเป็ น, ป น, ปนแต่ละวันละวันไปอยู่เป็นวั น, วน ไม่มีจุดหมายปลายทางไม่น่าจะถูกต้องนะเพราะงั้นพวกเราทุกท่านนะมีความมุ่งมั่นตั้งใจเอาต่อนี้ไปกันเลิกกันแล้วที่นี้นะ